เรียบกามาสุขต่ำไว้เพื่อให้เร่งพัฒนาความสุขจะได้มีสุขที่เลือกได้และก้าวขึ้นไปให้ถึงสุขที่สูงสุดเมื่อมีความสุขที่ประนีตกว่าเข้ามาเทียบก็ย่อมเป็นธรรมดาที่การมาสุขจะตกต่ำมีค่าน้อยดังคำที่ท่านใช้เรียกกามาสุขโดยเปรียบเทียบกับชาณสุขว่าการมาสุข เป็นปุตุชนสุขสุขของปุตุชนเป็นมิละหะสุขสุขเลอะเทอะหรือสุขหมักหมมเป็นอนารยสุขสุขของผู้ยังไม่เป็นอริยะพร้อมทั้งบรรยายโทษว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีความอึดอัดข้องขัดขับแขนและเร่าร้อนเป็นมิจฉาปฏิปทาคือทางดำเนินที่ผิดทั้งนี้ตรงข้ามกับชาณสุขหรือสุขด้านใน หรืออัดชัตตาสุขซึ่งเป็นเนคขมะสุขสุขปลอดจากกามเป็นปวิเวกสุขสุขอิงความสงัดเป็นอุปสมสุขสุขที่ช่วยให้เกิดความสงบหรือช่วยให้บรรลุนิพพานเป็นสัมโพธิสุขสุขที่ช่วยให้ตรัสรู้และมีลักษณะที่เป็นคุณคือเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความอึดอัดขัดข้องขับแคนไม่มีความเร่าร้อน และเป็นสัมมาปฏิปทาคือทางดาเนินหรือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอิสระหลุดพ้นหรือนิพพานอย่างไรก็ตามการที่ท่านมักพูดกฎและแสดงโทษของการมาสุขอย่างมากมายและบ่อยครั้งนี้ไม่พึงมองเป็นว่าท่านตั้งหน้าตั้งตาจะประนามหรือมุ่งเหยียดยามการมาสุขในแง่หนึ่งอาจจะมองว่า ท่านพยายามชี้ให้เห็นความจริงตามสภาวะที่มันเป็นอยู่นั่นเองแต่ใจปุถุชนมีกิเลสลุ่มหลงมันอยู่จึงเห็นเป็นว่าท่านว่ารุนแรงอีกแง่หนึ่งมองได้ว่าในการเปรียบเทียบกันนั้นเมื่อกามาสุขที่คนนิยมกันอยู่ท่านอย่างว่าต่ำด้อยค่าถึงเพียงนี้ก็ย่อมเป็นการเชิดชูสุขอย่างประนีตที่ท่านนำมาวางเทียบให้เห็นสูงเด่นชัดเจนยิ่งขึ้น แต่แง่แท้ที่ควรมองก็คือเพราะเหตุที่กามมสุขเป็นบ่วงรัดหรือเป็นกับดักที่เหนียวแน่นคนทั้งหลายลุ่มหลงกันนะักยากที่จะปลีกตัวออกได้ท่านจึงระดมตีการมาสุขให้หนักพร้อมกับยกย่องแสดงคุณของสุขที่ประนีตขึ้นไปเพื่อเป็นการเร่งเร้าชักชวนให้คนพากันขมีขมันปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความสุขที่ประนีตนั้นโดยไม่นิ่งหนอนใจ หนในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าท่านที่บรรลุสุขประนีตแล้วจะละทิ้งเลิกราจากการมาสุขทันทีเสมอไปหลายท่านก็ยังดำเนินชีวิตโดยเสพเสบสุขควบกันไปทั้งสองอย่างหรือทั้งสองระดับในกรณีนี้ก็เท่ากับว่าท่านที่บรรลุความสุขประนีตอย่างสูงแล้วมีทางเลือกในการสเสบสุขมากขึ้นเป็นผู้ได้กาไรหรือได้เปรียบในเรื่องความสุข เหนือกว่าคนทั่วไปรวมความแล้วจุดมุ่งของท่านอยู่ที่ต้องการให้ไม่ประมาทและให้ตรหนักว่าถึงอย่างไรอย่างไรไม่ว่าจะละเลิกการมาสุขหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่จะทำก็คือจะต้องพยายามทำความสุขที่ประนีตให้เกิดขึ้นแก่ตนให้ได้หรือจะต้องหาทางรู้จักมันได้ประสบมันประจักษ์กับตัวบ้างให้ได้และพัฒนาสุขที่สูงขึ้นไป จนถึงความสุขที่สูงสุด